วันนี้มีสองทีมมีทีมไฟฟ้ามีทีมโรงงานจำชื่อโรงงานไม่ได้ชื่อยาว60คนทีมนี้เยเต็มห้องมีคนเท่าทำสถิติว่าหลวงพ่อเทศปีละกี่ครั้งเกือบเกือบ700รไม่มีวันหยุดนะแต่และ ว, วันยังเปิดวัดนสอนโยม สองรอบนี่ยกระอีกรอบสามรอบแล้วบางวันโยมมาขอแถมมาดักหน้าประตูอีกช่วงนี้หลวงพ่อใจดีไปหน่อยแถมมากเลยป่วยเลย <c oughs> ก่อนจะไปศาลาลุงชินก็สามวันมีมีรอบตอนพระตักอาหารด้วยนะรอบเลิกสอนพระแล้วยังมาดักอีกนะไปศาลาลุงชินเจออีกสองรอบ ก็วันรุ่งขึ้นไปสุรินนับรอบไม่ถูกเสพเทศอีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งนั่งรถกลับมาเลยหมอบไปเลยเป็นพลางงานเยอะนะงานเยอะมากเลยเรานึกว่าพระนี่เช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัด<笑><笑>แต่ก็คุ้มนะพวกเราภาวนาดีขึ้นทั่วๆกัน รักเลิศก็ดีขึ้นคุ้มเกิดที่หลงพ่อเหนื่อยเมื่อวานก็มีคนหนึ่งผู้หญิงมาปิ้งขึ้นในวัดอยู่ที่วัดเข้าใจขึ้นมาตอนสี่โมงเย็นเวลาภาวนาเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเข้าใจเมื่อไรเราสะสมเหตุไปเรื่อยๆสะสมไป ทำเหตุก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆปีนี้เข้าใจได้หลายคนแล้วที่นี่เลยชื่อสวนนะสวนเป็นที่ปลูกต้นไม้นะตอนนี้ต้นไม้ก็ค่อยๆโตขึ้นนะเยอะๆเลยทยอยกันออกดอกออกผลอย่างนี้ก็คุ้มกับเราเหนื่อยนะยนตั้งอกตั้งใจนะเรียนแล้ว อย่าให้หลวงพ่อเหนืยเปล่าเปล่านะพยายามรู้สึกกายพยายามรู้สึกใจอย่าเพลิดเพลินกับโลกมากโลกไม่มีอะไรหรอกโลกมันมีแต่หลอกให้หลงเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีสาระอะไรพยายามมารู้สึกกายรู้สึกใจเพื่อเอาสิ่งที่มีสาระจริงๆให้ได้นี่แหละศาสนาพุทธท่านสอนให้เรามีโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิกาเนรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระโลกโลกนะความสุขอย่างโลกโลกนความสุขชั่วครั้งชว่วคราวไม่มีสาระอะไรหรอกนะสิ่งที่มีสาระแท้ๆเลยก็คือธรรมะถ้าเราเข้าถึงธรรมะได้เรามีความสุขที่สุดเลยคนรอบๆตัวเราก็พลายมีความสุขไปด้วยเราอยู่กับโลกก็ล้มลุกลุกลานไปเลยไม่มีอะไรสาระจริงๆังไม่มีหรอกนะ มีความสุขหลอกๆช่วคลั้งช่วคราลนะอย่างพอได้มาแล้วไม่นานก็จืดชืดนะความสุขในโลกแต่ความสุขในธรรมนะทราบซึ้งถึงอกถึงใจอยู่ไปจนแก่เท่านัก็ยังมีความสุขในธรรมะก่อนหลวงปู่เลี้ยนจะมรณภาพไม่นานหนะลวงพ่อไปกราบท่านตอนนั้นตัดสินใจไปกราบเลยยังไม่ครบหพันษาหลวงพ่อบวชยังไม่ได้ห้าพันษาบวชได้4พันษา เราภาวนาเราก็พอใช้ได้ละไปกราบท่านยอมเสี่ยงกับการถูกท่านดุถูกดูนีจริงคือพระเนี่ยยังไม่ได้ห้าพรรษานะร่อนเรไม่ได้เลยนี่เราต้องยอมไปเรารู้สึกว่าถ้าช้ากว่านั้นเราจะไม่ได้เจอท่านก็จริงๆนะหลังจากนั้นไม่ไม่นานท่านก็ไม่อยู่ละก็คุ้มกับที่เรายอมดนท่านดูเอา อย่างไม่ได้ห้าพันาเลยออกมานอกวัดหลวงผู้เรียนท่านก็บอกนะว่าต้องสู้ตายนะตายคาผ้าเหลืองเลยตัวท่านเนี้ยท่านต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆสู้มาจนกระทั่ง ท, ท่านได้รับผลของการปฏิบัติเต็มเต็มอิ่มของท่านบอกลำบากมากเวลาที่ภาวนามา แต่สุดท้ายปลายทางนะได้รับความสุขเวลาท่านเล่านี่นะท่านเกิดทำรรมาปีติท่านพูดถึงการปฏิบัติของท่านท่านฮึกเหิมแล้วพูดเท่านอนอยู่บนเตียงแบบคนไข้โรงพยาบาลที่ไขได้นอนอยู่บนเตียงกันนะก็ไปกราบท่านโศกษตร์ขึ้นมานั่งนั่งเหยียดขางอขาไม่ได้แล้วท่านตัวพูดถึงการปฏิบัติแล้วก็ผล ที่ท่านได้รับดูสิอายุทั้งเกือบร้อยปีนะมีความสุขมคนในโลกสังเกตไหมพอแค่กเกษียณเล้วนั้ น, น, น, น, นแย่แล้วนะเคยมีอำนาจก็หมดอำนาจใช่มเคยมีผลประโยชน์ก็หมดผลประโยชน์อนะไรเงี้ยมีชื่อเสียงก็หมดชื่อเสียงคนก็เริ่มลืมนะอยู่แล้วแต่คนธรรมดาเลยนะ ตอนนี้ใครนึกออกบ้างว่าเมืองไทยยังมีนายกที่ยังไม่ตายะกี่คนอย่าว่าแต่ชื่อเสียงอย่างนั้นเลยนะแค่เป็นนายกเขายังลืมเลยมันเหลือกี่คนหลวพ่อยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่านายกคนนี้ชื่อสมชายที่จําได้เพราะชื่อเหมือนหลวงอา <c oughs> เราฟังทีแรกอ้อชื่อเหมือนพระวัดเหล่านี้แนะหละเลยจำได้นะนายกก่อนสมัครเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไร สมัครเนี่ยจาได้เพราะว่าเหตุมานานคนในโลกนะดูสิเรียกว่าแก่แล้วแก่กระโหลกกะลาหาสาระหาแก่นสารไม่ได้เราภาวนานัเราแก่แล้วเป็นเครื่องสังฆโลกเลยยิ่งแก่ยิ่งมีคุณค่านี่แหละของที่มีสาระกับของที่ไม่มีสาระของไม่มีสาระในโลกไม่นานก็ต้องคืนเข้าไปมีลาบ ก็หมดไปมีชื่อเสียงก็หมดไปมีคนชมยกย่องสรรเสริญวันหนึ่งมันก็หมดไปของในโลกเป็นของที่มันหมดไปได้มาแล้วก็เสียไปเพราะฉะนั้นอยากจะได้อีกก็ต้องดิ้นอีกธรรมะนี่ไม่ต้องดิ้นอีกต่อไปแล้วเราต่อสู้ของเราช่วงนี้แหละยัยงมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ต่อสู้ให้เต็มที่สู้กับความขี้เกียจขี้คลานนี่แหลนะขยนันคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจ อย่าปล่อยให้ใหโลกมันดึงดูดเราไปรูปเดียวโลกไม่มีสาระถ้าเราได้ธรรมะ ม, มีสาระนี่เรียกว่าเรามีโยนิโสมานัสิการ ร, รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระโยนิโสมานสิการอนันต่อมารู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อย่างการภาวนาใช่เพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาไม่มีประโยชน์เลย หารู้สึกกายหารู้สึกใจทำสมถะทำวิปัสนาอย่างถูกต้องมีประโยชน์อย่างอื่นก็ประโยชน์เล็กน้อยประโยชน์อิงอาศัยทำบุญทำทานอะไรก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่ทำเลยแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ๆนะก็คือสมถะกับวิปัสนาก็ต้องรู้จักนะรู้จักว่าควรทำอะไรเมื่ อ, อไหร่ รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ถักจากนั้นก็ต้องรู้อีกอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราของมีประโยชน์บางอย่างไม่สมควรแก่เราอย่างพวกเราหลายคนทําสมถะไม่ได้นะไม่ต้องใฝ่ฝันทําไม่ได้มันไม่มีประโยชน์กัเราแล้วเราทําไม่ได้เราก็หาสิ่งซึ่งมันเป็นประโยชน์นะเจริญสติไปเรามีปัญญาเราไม่มีสมาธิมาก ก็จเจริญปัญญาให้มากเดี๋ยวสมาธิมันเกิดเดี๋บางคนทําสมถะได้ก็ทำรู้ว่าอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราหรือเวลาภาวนาก็ต้องช่างสังเกตอะไรสมควรแก่เราเช่นมันขี้เกียจนักเหรือมันขี้เกียจนักนะไม่นอนันบ้างเนสัตว์ชิกซะบ้างนี่มันตะกละนักเหรืออดมันซะบ้างอะไรเงี้ยนี่สมควรแก่เรา นี่คนหนึ่งเป็นโรคกระเพาะนะจะไปอดกับเขาเห็นคนหนึ่งเขาอดข้าวเขจะอดกับเขาเนี่เรียกว่าไม่สมควรกับเรานะไม่เจียมตัวนั้นต้องรู้นะว่าอะไรสมควรกับเราของที่มีสาระของที่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะสมควรกับเราบางอย่างไม่คู่ควรดีเกินกว่าเราก็มีส่วนมากจะดีเกินกว่าเราไม่ใช่เ็วก็เลวเกินกว่าเรา พอรู้ว่าอะไรสมควรแก่เรานะก็ตั้งหน้าตั้งตาทาไปด้วยจิตใจจดจอ่อ แ, แน่วแนะ่ะไม่วอกแวกไปที่อื่ น, นค่อยๆฝึกนะฝึกไปค่อยๆสังเกตเอาอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะไม่ใช่โยนิโสเห็นไหมแก่แล้วชักจำสับผิดแล้ว กินยาเข้าไปเลยชักเทศกับหัวกับหางอันนี้เรียกสัมปชัญญะสีอย่างนะงนเราต้องมาหาสิ่งที่มีประโยชน์นะหาสิ่งที่มีสาระสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่สมควรแก่เราอันนั้นก็คือการมีสติรู้กายรู้ใจการมีสติรู้กายรู้ใจนี่สมควรกับทุกคนนะส่วนสมาะนี่สมควรกับบางคนนะอย่างอื่นๆก็สมควรกับบางคนแต่ว่า มีปัสัสนามีสติรู้กายรู้ใจนี่สมควรกับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องทำวิปัสสนาด้วยอารมณ์ทุกชนิดด้วยนะแต่และคนใช้อารมณ์หลักๆตัวเดียวมีอันเดียวแหละเป็นเครื่องอยู่ไปจาเช่นเรารู้ลมหายใจถ้ารู้เป็นนะเราก็จะรู้กายรู้ใจถ้าเรารู้อิิยาบทสีถ้ารู้เป็นเราก็รู้กายรู้ใจถ้าเราดูเวทนา ถ้าดูเป็นเราก็รู้กายรู้ใจนะเวลาเราดูจิตถ้าดูเป็นเราก็รู้กายรู้ใจเพรั้นอารมณ์ในสติปัฏฐานที่เป็นวิหารธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะถ้าเราทําเป็นนะมันจะรู้กายรู้ใจเหมือนกันหมดเลยเพระฉั้นอะารมณ์ในสติปัฏฐานเพียงอันตดันหนึ่งนี่แหละก็พาให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานไดนะ้ไม่ใช่ว่าจะต้องดูจิตอย่างเดียวนะหรือไม่ใช่ต้องดูกายอย่างเดียวอะไรก็ได้แล้วแต่ขนัด บางคนก็มองมากไปคิดมากนะว่าเบื้องต้นให้รู้กายแล้วก็ขยับมารู้เวทนาไปรู้จิตแล้วค่อยไปรู้ธรรมคิดมากไปนะหรือบางคนบอกเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายให้ดูจิตอะไรก็คิดมากไปนะในความเป็นจริงแล้วในตำราเราสอนไม่ชัดเลยว่าสติปัฏฐานสีนะั้นเหมือนประตูเมืองสีทิศเข้าที่ใดทิศหนึ่งก็เข้าเมืองได้แต่ต้องเข้าให้เป็นเข้าให้ถูกนะ ถ้ารู้กายถูกต้อ ง, งกงนะะ็รู้ทั้งกายทั้งจิตใช่มรู้เวทนาถูกต้องก็รู้ทั้งกายทั้งจิตรู้จิตถูกต้องก็รู้ทั้งกายทั้งจิตถ้ารู้ธรรมก็คือรู้ทั้งกายทั้งจิตรู้อันเดียวกันนะั่นแหละลีลาท่าทางกระบวนท่าแตกต่างกันนะแต่สุดท้ายปลายทางเป็นอันเดียวกันเทียบกับเพลงกระบี่เพลงอาวุธนั่นนะบางคนรำมากบางคนไม่รำเลยทิ่มขอหอยอย่างเดียวผลก็คืออันเดียวกันคือชนะศัตรูนะ เราทําสติปัฏฐานเราไม่จําเป็นต้องมีลวดลายลีลาเหมือนคนอื่นแต่ผลเป็นอันเดียวกันนะคือพิชิตมารลงไปได้เข้าถึงธรรมนั้นเราก็ค่อยฝึกนะเรียนให้ได้ว่าวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิธีทําสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญานั้นเป็นไงสติปัฏฐานมีสองส่วนนะสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติเนี่ยอย่างหนึ่งไม่ใช่วิปัสสนา นะสติปัฏฐานอีกส่วนหนึ่งเป็นสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาเนี่ยสติปัฏฐานที่ให้เกิดปัญญานี้แหละคือวิปัสสนานี่หลวงพ่อกระเทศมาเยอะเยอะนะเทศจนคนหูแว่วนี่คุณสุมเมธมาเล่าให้ครูบาอาฟังอยู่ไหมคุณสุมเมธเราไปเหมือนไรวันมัเล่าให้ครูบาอาฟังว่ามีคนฟังวิทยุ ฟังไปฟังไปนะคลื่นมันเปลี่ยนมาฟังหลวงพ่อเทศแทน <c oughs> ก็ถอดหูฟังออกแล้วเสียงมันหลอนก็ยังได้ยินอีกเ <c oughs> นี่ยแสดงว่าเราขยันเทศมาก <c oughs> เทศไปตามอากาศ <c oughs> สงสัยว่าข้างบ้านเขาคงเปิดซีดีมั้นะใ <c oughs> ครรู้สึกนะรู้สึกตัวเมื่อกี้รู้สึกไหมใจฟุ้งซ่าน <c oughs> รู้สึกไปหัดรู้สึก วิธีทำวิปัสนาเนี่ยไม่ยากอะไรหรอกนะวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาก็คือการที่เราคอยมีสตินะอย่าลืมเนื้อลืมตัวมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจนะเอากายเอาใจในปัจจุบันนะไม่ใช่กายกับใจในอดีตไม่ใช่ไปคิดว่าเมื่อปีกลายหน้าตาเราเป็นอย่างนี้ปีนี้หน้าอย่างนี้แสดงว่าไม่เที่ยงนั้นยังไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาต้องรู้ของจริงในปัจจุบันนี่ถ้าไปรู้อดีตมันก็เป็นสัญญามจาไว้ นะแล้วก็ไม่ใช่ไปคิดถึงอนาคตนะแค่คิดถึงอนาคตก็เป็นความคิดก็ไม่ใช่ความจริงความจริงก็อยู่ในปัจจุบันนี้แหละการรู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันนะมีสติรู้กายรู้ใจรู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่ไปดัดแปลงเขาพวกเราผู้ภาวนาเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยชอบดัดแปลงจิตไม่สงบหาทางทำให้สงบจิตไม่ดีหาทางทาให้ดีจิตไม่มีความสุขหาทางทาให้มีความสุขนี่ดัดแปลง แทนที่จะรู้ซื่ อ, อรู้อย่างที่เขาเป็นเขาเป็นอะไรเขาไม่เที่ยงเขาเป็นไงเขาเป็นทุกข์คือเขาถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทําไมมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงก็เพราะมันเป็นทุกข์นะเพราะมันถูกบีบคั้นเหตุที่ทําให้มันเกิดขึ้นมานั้นเคลื่อนไหวตลอดเวลาตัวสภาวะที่ปรากฏอยู่เมื่อเหตุมันเปลี่ยนไปแล้วมันถูกบีบคั้นนะมันก็อยู่ไม่ได้ เห็นไหมทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่เป็นไปตามที่เราสั่งการที่เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เห็นอนัตตามันไม่เที่ยงทุกสิ่งที่มันไม่เที่ยงเห็นไหมเพราะมันถูกบีบคั้นมันบีบคั้นมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการมันเป็นไปตามเหตุเราสั่งไม่ได้เราบังคับไม่ได้นี่เรื่องอนัตตา บางคนเห็นอนิจจังนะก็หลุดเลยบางคนเห็นแค่ว่ามันถูกปีบคันก็หลุดบางคนต้องเห็นอนัตตาแล้วมันถึงยอมหลุดนะยอมปล่อยวางดงนั้นวิธีที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจที่ง่ายๆนะง่ายที่สุดเลยขอแนะนาให้พวกเราชาวเมืองส่วนใหญนะ่ก็คือการคอยรู้ทันใจตัวเองเราไม่ได้ไปวาดภาพการปฏิบัติว่ามันยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะ เบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าเราไม่มีศีลห้าจิตใจเราจะฟุ้งซ่านศีลห้าทาให้ใจเราสบายศีลห้านั้นถือเพื่อความสุขนะไม่ใช่ถือให้ทรมานอย่างเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนใช่ไเราสบายใจอย่างเราคิดจะฆ่าใครสักคน้เราคิดมากต้อคิดมากนะจะฆ่าเขาจะฆ่ายังไงดีเราฆ่าเสร็จแล้วจะเอาศพไปหมกที่ไหนเอาไปหั่นใส่ซมเขาก็ตรวจเจอใช่ไหมก็เคยทามาแล้ว ไม่คิดมากรุ่มใจหรือจะขโมยของเขาต้องวางแผนขโมยเสร็จแล้วจะปกปิดยังไงไม่ให้เขารู้อะไรเงี้ยบางคนปกปิดด้วยการฆ่าเจ้าทัพย์เสร็จแล้วคราวนี้ยุกอีกแล้วจะปกปิดศพยังไงยิ่งใหญ่กว่าอันเก่าอีกนะทีแรกไปขโมยของเขาหน่อยนึงอันนี้ต้องมาปกปิดศพอีกถ้าเรามีศีลเราไม่ยุ่งยากหรือถ้าเราซื้อตรงในคู่คลองของเราชีวิตเราไม่ยุ่งยาก เวลาไม่ซื่อตรงในครู่ครองของเราชีวิตเรายุ่งยากอย่างน้อก็ต้องทะเลาะกันไม่สบายใจต้องปกปิดหล บ, ลบๆสั้นๆมีชีวิตที่ไม่สง่าผ่าเผยหรือเราจะโกหกใช่ไหมไม่สบายหรอกต้องจำโกหกไว้ว่างไงโกหกคนนี้อย่างนี้โกหกคนนี้อย่างนี้พอสองคนมันเจอกันเราโกหกครั้งที่3ามบฉันไม่ได้พูดสักเรื่องโกหกแล้วก็ต้องคิดมากลําบาก เงินศีลจริงๆนั้นถือแล้วสบายระหว่างคนจะฆ่ากับคนไม่ฆ่าฮะคนไม่ฆนะ่าสบายกว่าระหว่างคนจะขโมยกับคนไม่ขโมยฮะคนไม่ขโมยสบายกว่าระหว่างคนที่ไม่นอกใจกันนะกับคนนอกใจกันไหมคนไม่นอกใจสบายกว่าระหวา่างคนโกหกกับคนไม่โกหกไหมคนไม่โกหกสบายกว่าหรื อ, อยังติดยาเสพติดอะไรเงี้ยมันสบายซะที่ไหน เ่นสี่ห้าเราต้องถือไว้ก่อนแล้วใจเราสบายเพราะใจเราสบายแล้วนะเราก็คอยดูใจของเราไปนี่เป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆนะคอยดูใจของเราไปใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเลยบางวันตื่นขึ้นมาก็มีความสุขแล้วบางวันตื่นขึ้นมาก็เครียดแล้วดูไปดูเขาทำงานไปเห็นเขาเปลี่ยนแปลงในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นใจก็ไม่เคยเหมือนกัน อย่างใกล้สิ้นปีใช่ไหมโบนัสจะออกเนี่ยตื่นเต้นนะจะได้สักเท่าไหร่ปีนี้เจ้านายก็ทำหน้ายุ่งมาใส่ฐานะไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีในะใกล้สิ้นปีเราก็ห่อเหี่ยวแล้วบางปีอั้เศรษฐกิจรุ่งเรืองรู้ว่าปีนี้จะได้เยอะนพอถึงเดือนตุลาเริ่มคิดแล้วว่าจะใช้เงินยังไงดีนะบางคนจะไปซื้อโน้ตบุ๊กซื้อไอพอ ซื้อรถซื้อนอนซื้อนีนะ่ซื้อมือถือซื้ออันจิง้งมือถือนะมีอยู่สองมือนะบางคนมีทั้งหลายมือถือมีมืออยู่สองมืออย่างนะี้มีหูอยู่สองหูมีปากเดียวทําไมไมันต้องใช้โทรศัพท์หลายเครื่องมีค้นอยู่อันเดียวนะต้องมีรถหลายคันเนาะประสานเนาะสู้พระไม่ได้นะพราชุดเดียวเที่ยวรอบโลกี่ะ มีอยู่ชุดเดียวแหละไปงานศพก็ได้งานมงคลก็ได้งานอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้สบายนะไม่ต้องคิดมากเลยว่าวันนี้จะแต่งชุดอะไรเพราะมีอยู่ชุดเดียวแต่เราไม่ต้องเอาขนาดพระหรอกนะก็ต้องรู้จักกราเทียสามเหมือนกันนี่เราครยดูใจของเรานะใจของเราแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกดูไปเรื่อยๆจนเป็นเคยชินเคยชินที่จะรู้ ใจมันโกรธขึ้นมานะมันรู้เองเลยว่าโกรธล ะ, ระใจมันโลภขึ้นมารู้เองเลยว่าโลภละอย่างบางคนทํางานนะเริ่มคิดแล้วกลางวันจะชวนเพื่อนไปกินส้มตำนะมือทํางานอยู่นี่นะใจไปคิดถึงร้านส้มตำละไปเร็วจนะก็รู้ทันนะใจมันหลงไปหลงไปอนาคตนะหรือทํางานอยู่กับปัจจุบันนะคิดไปเมื่อเช้าทะเลาะ ก, กับแฟนก่อนออกจากบ้าน ทะลากันไปทะเลากันมาทำงานตรงหน้านี่ไม่ได้ดีแล้วใจหลงไปอดีตย้พยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกอยู่กับปัจจุบันนี้แหละทำงานไปแล้วเกิดเบื่อขึ้นมารู้ว่าเบื่อทำไปแล้วขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจทํแล้วอยากให้มันเสร็จเร็ ว, ร, วรู้ว่าอยากทำงานไปก็ดูใจไปใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้นะ ใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้เป็นระยะระยะอันนี้สาหรับคนซึ่งทำงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดนะทำงานที่ใช้ร่างกายอย่างเราอยู่ในโรงงานอะไรที่ไม่ซับซ้อ น, นอย่างบางคนมีหน้าที่ติดกระดุมเสื้ออย่างเดียวทั้งชาติติดกระดุมอย่างเดียวนไม่ต้องคิดใช่ไหมไม่ต้องคิดแล้ว <c oughs> คอยรู้สึกกาย <c oughs> คอยรู้สึกใจไปวันหนึ่งเราจะเป็นพระอรหรนันต์เราคอยรู้สึกไปนะแต่คนที่ทำงานที่ใช้ความคิดนะก็ต้องทาอีกแบบหนึ่งนะ ไม่เหมือนคนที่ทำงานที่ใช้ความเคยชินทางร่างกายถ้าทำงานที่ใช้ความคิดนะ่ก็ต้องจดจ่อกับงานในขณะนั้นทำวิปัสสนาไม่ได้จดจ่อกับงานมีสติอยู่กับงานมีสมาธิอยู่กับงานนะแต่พอกิเลสอะไรแทรกเข้ามาในใจนะก็มีสติรู้ทันได้คะแนนเล็กๆ เ, เป็นจุดเล็กๆ เ, เ, เ, เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะฝึกไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะ คอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ใจเรามีสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้นะใจเราโลภขึ้นมาอยากโน้นอยากนี้ก็รู้ใจเราโกรธก็รู้ใจลอยไปก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราหดหูก็รู้อิจฉาริษยาอาดพยายามปัตจองเวรอะไรก็รู้ไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปการที่เราหัดคอยรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรื่อยๆนี่เราทาวิปัสสนาแล้ว เราจะเห็นเลยจิตใจมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมมีปรัชนาต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นเป็นไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงจิตใจทํางานตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้นี่เข็นอนัตตาเห็นไปอย่างนี้แหละไม่ต้องคิดนะว่าเมื่อไหร่จะบรรลุถ้าคิดว่าเมื่อไหร่บรรลุมื่อนั้นจะไม่บรรลุทําไปจนกระทั่งหมด หมดเรี่ยวหมดแรงหมายถึงว่าหมดความหวังนะี่ยพอหมดความหวังขับได้ดีนะหลวงพ่อสังเกตมาหลายรายแล้วพอหมดความหวังนะที่ไรได้ดีทุกทีแต่ต้องหมดความหวังหลังจากที่ภาวนาโชคโชนแล้วนะไม่ใช่พอมาฟังหลวงพ่อโอ้หมดหวังแล้วไหนบรรลุยังโออีกร้อยปีก็ไม่บรรลุนะต้องหัดรู้กายหัดรู้ใจไปนะรู้ไปเรื่อยใจมันอดอยากไม่ได้หรอกมันต้องอยากะอยากดี อยากบรรลุมากผลนิพพานมันอดอยากไม่ได้แล้วทำไปภาคเพียรดูไปนะลองผิดลองถูกไปเรื่อยมันห้ามไม่ได้หรอกคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยเราก็จะเอยคิดแต่ว่าจะรู้แบบไหนแล้วมันจะบรรลุเร็วๆเฮ้ย เ, เวลาเราดูกายเนี่ยเราจะดูทั้งตัวหรือเราจะดูทีละส่วนเนี่ยคิดมากเวลาเราดูจิตเนี่ยเราจะเอาจิตไปตั้งไว้ตรงไหน จะตั้งไว้ที่หน้าผากดีไหมหรือตั้งไว้ที่ลิ้นปี่หรือตั้งไว้นอกร่างกายมองมาเหมือนดาวเถียมคิดมากพวกคิดมากแล้วสิ่งที่จะได้มาก็คือยากนานนะคิดมากยากนานมันง่ายกว่านั้นนะแค่คอยรู้สึกใจรู้สึกใจเท่านั้นไม่ต้องไปคิดมากว่าจะรู้สึกยังไงมันรู้สึกได้ทุกคนแหลนะเช่นอยู่ๆแล้วคนเอาก้อนหินมากว้างหัวเราแล้วก็โกรธสิโกรธก็รู้ว่าโกรธใช่ไหม ไม่ต้องไปนั่งคิดนะว่าความโกรธน้ำผุดขึ้นจากตรงไหนไหนเอ้ความโกรธจะโกลธตรงไหนนี่หินลอยมาแล้วเดี๋ยวจะเอาหัวรับนะหัวรับแล้วจะดูว่าใจจะโกรธตรงไหนโป้งวะใไม่โกรธไม่โกรธมันผิดธรรมชาติสังเกตไหมพวกนึ่งใจไปอยู่กับนกรู้สึกไหมหลูกพ่อสังเกต น, นะค่อนห้องเลยใจไหลไปทางนี้ไหลไปหา นา น, นานแวบมาทางนี้ไปหาเด็กสักทีเวลาฟังหลวงพ่อก็ฟังนินดๆหน่อยแอบไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดใครรู้สึกเนะดูของเราไปการปฏิบัติไม่ยากไม่ยากเลยทุกวันนี้ก็พูดทุกวั น, นว่ามันไม่ยากนะครูบาอาจารย์องค์แรกนะที่บอกหลวงพ่อว่าการปฏิบัติไม่ยากก็คือหลวงปู่ดุลแล้วเป็นประโยคแรกเลยที่ท่านสอนหลวงพ่อ ไปหาท่านนะไปถามท่านอยากภาวนาท่านก็นั่งเงียบๆไปเกือบชั่วโมงนะลืมตาขึ้นมาท่านก็บอกการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคอยรู้ทันใจของเราไปนะไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราก็เห็นใจมีความสุขเดี๋ยวใจก็มีความทุกข์เดี๋ยวใจก็เฉยๆเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์นะไม่ยากอะไรดูไปจนเคยชินที่จะรู้ดูจนหมดความจงใจที่จะดูนี่ มันดูโดยอัตโนมัติหัดดูไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งมันดูโดยอัตโนมัติตัวนี้สําคัญมากดูโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะไม่เจือด้วยโลภะเจตนาละดูโดยอัตโนมัติหลวงพ่อสังเกตอะไรายๆนะรู้โดยที่ไม่ได้จงใจเนี่ยมันดีนักหนามีคนหนึ่งถูกฝนนะกังวลใจว่าจะเป็นหวัดรู้ว่ากังวลเฉยๆนะใจก็ผ่านไปนะมีบางคนกังวลนะ มีเรื่องปิดบังหลวงพ่อกงังวลรู้ว่าปิดบังแล้วหลุดไปเลยก็มีนะมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกอยู่ที่ว่าเราทําให้สมควรไหมสมควรแก่ธรรมะไหมรู้สึกบ่อยๆจนกระทั่งมันสามารถรู้สึกได้โดยไม่จงใจนะตรงที่มันรู้สึกได้โดยไม่จงใจนะั้นมันจะรู้แล้วก็ไม่ทําอะไรต่อเลยรู้แล้วจบลงที่รู้อย่างแท้จริงรู้แล้วจบลงที่รู้อย่างแท้จริงนันความปรุงแต่งจะขาดไปเลยนะ ความปรุงแต่งขาดไปก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งจิตมันจะหลุดออกมานม้ําถอดถอนตัวเองออกมามันแหวกออกมาจิตที่มันเป็นอิสระมันหลุดออกไปได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่ถูกห่อหุ้มปกคลุมไว้ใหม่ด้วยอาสวะกิเลสแหวกครั้งที่1แล้วก็ปิดเข้าไปครั้งที่2ก็ปิดเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในบ่อน้ํามีจอกมีแหน่อยโยนตุ้มลงไปมันกระจายออกไปเดี๋ยวมันก็มาปิดใหม่ จอกแหนมลอยกลับมาหมโยนครั้งที่สองก้อนให้ใหญ่กว่าเก่าครั้งสุดท้ายนี่ก้อนใหญ่เท่าสะเลยจอกแหนหายไปหมดเลยนะแหวกไปเลยนะไม่กลับมาอีกเฉนั้นอยู่ที่ธรรมะทำให้สมควรอยาธรรมะทำให้สมควรต้องรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระโลกไม่มีสาระหรอกธรรมมีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นะสมถะวิปัสนาเนี่ยมีประโยชน์ ของอื่นเป็นแค่เครื่องอาศัยมีประโยชน์เหมือนกันเป็นเครื่องอาศัยแต่บางอย่างมีโทษส่วนใหญ่มีโทษอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราก็ดูตัวเองจริตนิสัยของเราควรภาวนาแบบไหนควรรู้กายก็รู้กายควรดูจิตก็ดูจิตดูว่าอะไรสมควรแก่ตัวเราเอง <S <S จะดูกายก็ต้องทําสมถะนะถึงจะสมควรถ้าดูกายเราไม่ได้ทําสมถะไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่ดูยากนะ มารู้ว่าอะไรสมควรกับเราแล้วก็ดูไปเรื่อย ๆ, ๆนะรู้กายรู้ใจทําเรื่อยๆทำเนืองๆไม่วักแวกไปซะที่อื่นไม่หลงไปที่อื่นตรงที่ไม่วักแวกไปไม่หลงไปนี่เรียกว่าอาสัมโมหะสัมไชัญญะไม่หลงไป ใ, ใจเราเค้าเคลียจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติธรรมะที่สมควรกับเราไปเรื่อยๆนะคนไหนถนัดดูจิตก็ดูไปดูกายก็ดูไปแต่ดูกายก็รู้จิตดูจิตก็รู้กายนะสุดท้ายก็จะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของตัวเอง พอใจเข้าถึงธรรมะนะมีสองพวกนะเบื้องต้นธรรมะเบื้องต้นก็จะอุทาห์าเท่านี้เองเหรอเนี่ยพราะวาดภาพพระอริยะไว้ใหญ่โตมากเลยพระอริยะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะพอเข้าใจธรรมะขึ้นมาไม่เห็นจะลากกิเลสสักเท่าไหร่เลยนะลากความเห็นผิดอย่างเดียวเองกิเลสอื่นๆก็ยังอยู่เยอะแยะหเห็นแล้วงงๆแค่นี้เองเหรอแต่ไม่เหมือนตอนสุดท้ายนะ ตอนสุดท้ายโอ้โหขนาดนี้เหลอกลับข้างกันนะขนาดนี้เหลอนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงวัฒนมีขนาดนี้เฉลอะฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังนะโอ้โหมันขนาดนี้เฉลอะมองก็ปีติอย่างรุนแรงเลยนะปีติอย่างรุนแรงเหมือนธาตุขันจะทนอยู่ไม่ได้แทบจะตายตอนนั้นเลยมันอะไรความสุขอะไรมันจะขนาดนี้เนความสุขจนกระทั่งธาตุขันของมนุษย์ทนไม่ได้ย ไม่ใช่ว่าเวลาเกิดอรหัตมรักอรหัตผลแล้วไม่ดีนะบางคนบอกอรหัตมรักอรหัตผลไม่ดีบัตรู้แล้วไม่ได้บวชในวันนั้นจะตายเลยอะไรย่างเี้เนี่ยเหมือนยาพิษแท้ๆเลยโดนเขาเราตายความจริงไม่ใช่หรอกความจริงคือธาตุขันของมนุษย์ไม่คู่ควรกับของดีขนาดนั้นลองรับความสุขขนาดนั้นไม่ไหวไม่ใช่ว่าแย่มากนะแต่ว่าดีมากเกินไปจนทนไม่ไหวอา้าวันนี้8ปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ